ข้อที่สี่ว่าความเป็นผู้มากด้วยการพิจารณาคือพิจารณาว่าทั้งตนและผู้อื่นเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนก็ยะละพยาบาทได้ก็เอาเรื่องจุลกรร ม, มวิพังกระสูตรเป็นต้นเอามาคิดเนี่ยนะที่เขาเจริญด้วยเช่นเขาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันด้วยบุญของเขานะเห็น ไ, ไหมเพราะว่าที่เขามีโพค่าก็ด้วยบุญของเขานะที่เขาเกิดในตระกูลสูงตระกูลดีก็ด้วยบุญของเขาก็มีผิวพรรณดี ก็โดยบุญของเขานะอย่างนั้นเขามีสุขภาพดีก็โดยบุญของเขาเขามีอายุยืนก็บุญของเขาขเขามีสติมีปัญญาเป็นต้นก็โดยบุญของเขานะอย่างนี้นะก็ไล่แล้วเราอ่ะมาเราก็มาด้วยกรรมของเราเหมือนกันนะไล่ไปอย่างนี้คิดอย่างนี้บ่อยๆมากๆก็ละโทสะได้นะันะคือปัญหาเวลาโทสะเกิดมันไม่ค่อยคิด อ, อย่างนี้เลยนะไม่ค่อยคิดถึงกรรมเลยนะลืมกรรมหมดเลยก็หรือไม่ก็คิดอย่างนี้ก็ได้เออเนี่ยถ้าเราโกรธเขานะ ดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้นะดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงหกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปถ้าชวนาอันนี้เกิดก่อนตายเนี่ยตกนรกไง่ายแงเอาโกรธเข้าไปเนี่ยนะเอาไหมล่ะมันจะกโกรธได้สักกี่น้ําเชียวนะมันจะกโกรธต่อไปไหมคุณกัาใจนะถ้าคิดอย่างงี้นะเอานะแกโกรธไปดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าสองถึงหกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปถ้าดาเขาเป็นวจีกรรมถาดยกม้ยกมือเป็นกายกรรม ไอ้ที่คิดอันนี้ก็เป็นมโนกรรมถ้าตอนนี้มันเกิดจะตายมันก็ต้องไปนรกนรกก็อายุไม่กี่พันล้านปีเราก็คิดไปะนะจะไปไหมล่ะเอาคี้จะไงไล่ไปเรื่อยๆนะนก็รักตัวกลัวกลัวตกนรกอีกอยู่ดีนะมันไม่่อยก ล, ากล้าโกรธอะไร น, นี้แต่บางทีโกรธจัดๆ จ, จะตกกระช่างหัวมันอีกแน่นอนะนี่หนักมากจะได้สมความปรารถนาจริงๆ อย่างที่สอนว่นมามันตกทั้งมันเยนะมีไห <laughs> มันสะใจไหมขอใมันได้โกรธก่อนนะนะ<า>ทีนี้พอจะไปจริงๆบอกไม่น่าเลย <laughs> ไปเดือดร้อนอีกจริงๆนะ <laughs> ทีนี้ต่อไปว่าความเป็นผู้มีกาลยานามิตรเนี่ยนะ คือกาลยานามิตรผู้ยินดีในการเจริญเมตตาท่านยกตัวอย่างเช่นพระอัสคุเทระก็ดีเธอย่อมละพยาบาทได้คือให้ไปคบกับคนเขามีเมตตานะีถ้าเราเป็นคนที่โกรธเนะี่ยแต่อย่าไปอย่าไปชวนให้เขาโกรธนะไม่ใช่เราเนี่ยเป็นคนมีโทสะแล้วไปเกี่ยวข้องกับคนมีเมตตาแล้วไปยั่วยคนมีเมตตาให้โกรธไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ไปยั่วเขาแต่ว่าไปซ่องเสพอุปนิสัยจากเขาเนี่ยนะคือเขาเขาพูดถึงคนในแง่ไหนเขาคิดยังไงกับคนทั่วไปเนี่ยนะ แล้วก็ไปซ่องเสพเพื่อที่จะเอาอัธยาศัยที่มีเมตตามาจากเขานะะแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีเมตตามากๆใจเราก็เย็นอกเย็นใจแล้วเนาะแล้วก็ไปซ่องเสพคนชนิดนี้ไว้เยอะๆเราก็จะมีเมตตาไปด้วยขี้โกรธอยู่แล้วแหมไปเจอพวกคอเดียวกันมาไปกันใหญ่เลยนะ <c oughs> แล้วก็ไปคบคบกับคนที่เขามีเมตตาคนที่เขาใจดีใจเย็นนะน จะจุบุญแ อ, อ, อ, อยากจะเย็นตามอยากกะเย็นง่ายมากนะอยากจะเย็นตาทีนี้ข้อ6ก็บอกด้วยการสนทนาถึงเรื่องที่เป็นสปายะอันเกี่ยวเนื่องด้วยเมตตาในเอริยาบททั้งหลายมียืนนั่งเป็นต้นก็ย่อมละพยาบาทไดนะ้ก็พยายามเอาเรื่องเมตตาเนี่ยมาพูดมาคุยมาสนทนาการให้บ่อยให้มากเนี่ยนะอันนี้ก็ทําให้ละ พยาปาทา่านนี้มรได้นะนะแต่ว่าไปที่ไหนก็จะเอาพูดแต่เรื่องเมตานี่แหละเมตตาคาถาเนี่ยมาคุยให้มากมากให้บ่อยๆนะนันก็คือนึกถึงความดีของคนที่มีอยู่หรือว่าเขาก็คงมีดีบ้างอนะหรือง่ายๆเจริญอย่างหนึ่งก็คือคิดให้คนอื่นมีความสุขนะน่าจะคิดไม่ยากใช่ไหมไม่ต้องลงทุนอะไรด้วยนะพยายามคิดให้ทุกคนมีความสุขนะคิดให้เขามีความเจริญ ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าธรรมะหประการย่อมเป็นไปเพื่อละพยาบาทก็เธอย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทที่ละได้แล้วด้วยทำห6ประการนี้ย่อมจะไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปด้วยอนาคามีมักงเนี่ยนะคือถ้าอาศัยบาตรคือหมายถึงว่าไปเจริญเมตตาเนี่ยนะให้สงบร่มเย็นแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อไปก็บรรลุเป็นพระอนาคามีเนี่ยนะนะ ถ้าบรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่มีโทสะละนี่นะคือละโทสะได้เด็ดขาดถึงได้ปัจจัยยังไงก็ไม่โกรธนี่นะพระอนาคามีเนี่ยนะถึงเราจะเอาอุจระไปรูปไว้ข้างหนึ่งตัวท่านหมดเลยแต่เอาของหอมไปรูปอีกข้างหนึ่งยังไงท่านก็ไม่โกรธนี่นะเพราะท่านจะไม่มองว่าเป็นปฏิฆานิมิตะนี่นะท่านท่านคิดโดยที่ไม่มีโทสะได้ละนี่นะ อยู่อย่างไม่มีโทสะนะอยู่อย่างไม่มีเวนอยู่อย่างไม่มีศัตรูจริงๆนะนะสํานวนว่าท่านไม่กลัวใครแต่ใครก็ไม่ต้องกลัวท่านเพราะท่านท่านไม่มีสิ่งที่คิดไม่ดีกับคนอื่นโดยประการทั้งปวงนี่นะไม่มี <c oughs> ถ้าพูดถึงว่าพระนาคามีก็คือพรหมเดินได้นะั่นแหละไม่มีนะนะเหมือนกับพรหมจริงๆเพราท่านจุติท่านต้องปฏิสนธิในพรห ม, มโลกอย่างแน่นอน อันผู้ที่เป็นผ้านาคามีจริงๆก็คือพรมเดินได้โกรธไม่เป็นเนี่ยนมีแต่หวังดีต่อสัตว์เสมอเนี่ยนแต่ว่ากว่าจะเป็นผ้านาคามีได้ก็ต้องเจริญให้มันคู่ควรกับการเป็นผ้านาคามีนะว่าปฏิบัติอย่างไรนะจึงจะละโทสะได้แต่ส่วนที่สําคัญเนี่ยเวลาโกรธก็จะเรียกว่าโกรธในสัตว์ใน บุคคลทั่วๆไปพันท่า ม, มีการใคร่ครวนพินิษพิจารณาแยกแยะในวัตถุที่เราโกรธเนี่ยนะก็สามารถที่จะละโทสะถ้ายิ่งบุคคลที่เราโกรธถ้าเป็นบาศให้เจริญวิปั ส, สนาด้วยแล้วก็ ย, ยิ่งยิ่งดีใหญ่นะก็เอามาแยกแยะพิจารณาเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นสัจจะเป็นอินทรีย์ก็ใคร่ครวญให้ทุกแง่ทุกมุมแล้วก็น้อมไปพิจารณาทั้งหมดในทุกคนทุกแห่งให้เป็นแแบบเดียวกันหมดเนี่ยนะ ก็จะไม่ผูกพันก็จะไม่ยึดมั่นก็จะไม่ติดไม่ค้องในอุปาทานขันโดยประการทั้งปวงนี้มาขึ้นทีนะม landing, ิทาบั่งมาจะละมันได้ยังไงเมื่อทีนะมิทามีอยู่ณนภะายในจิตย่อมรู้ชัดว่าทีนะมิทามีอยู่ณนภะายในจิตเมื่อทีนะมิทะาไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าทีนะมิทะาไม่มีอยู่ณภายในจิต อนหนึ่งทีนามิท่าที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยทีนามิท่าที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยทีนามิท่าที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยนีนะมาทั้งง่วงและวกำหนดระว่าง่วงเฉยๆพอไหมง่วงแล้วกำหนดนี้มันง่วงแล้วนะแล้วก็กำหนดต่อไปว่าหมอนมันอยู่ตรงไหนเสือมันอยู่ตรงไหน ไ่ชแต่กำหนดอย่างนั้นเนี่ยไม่ยาวนเนะนะอ่านหนังสือเนี่ยง่วงนักแล้วกันนะทีน้ามิธานี้กันนะมันก็มีบางคนเนี่ยโอ๊ยซึมยิ่งๆเลยนะสำนวนสำนวนเสียดสีกันเล่นๆในหมู่ผ้าเน้นก็บอก hey, เน้นเนี่ยมันนิ่งอะเป็นหลับเลยขยับนี่เป็นฉันเลยเนะี่ย เกือก็มีไปแท่งหนึ่งใช่ไโยมก็เอาเอาพวกเครื่องดืมเนี่ยไปไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะพออีกพักหนึ่งนะพอทั้งเงียบเสียงนี่แปลว่าไปหลับกันหมดแล้วอีกพักหนึ่งถนะ้าได้ยินเสียงมาแสดงว่ามาร่วมหัวกันฉันอีกแล้วก็ <c oughs> เลยหาคารมมาว่าพวกนี้ถ้านิ่งก็เป็นหลับขยับก็เป็นฉันลูกเดียวอยงนั้นท่านพวกบางคนนี่ก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าได้เงียบเงียบสักพักหนึ่งหันไปดูเอา้าหลับไปแล้วพอตื่นออกมานี่ก็เจี๊ยบจ้าอีกแล้วนะ นิ่งอีกพักมันก็หลับไปอีกแล้วมันคล้ายๆกับเด็กอ่ะนะเด็ก ก, นนะ ก, กถ็ถ้าเด็กนิ่งๆเนี่ยแปลว่าเด็กเนี่ยหลับไปแล้วนะที่นิ่งแล้วตาแปว๊วอยู่เฉยๆเนี่ยหายากเนี่ยนะก็ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วทั้งเงียบก็หลับไปแล้ว น, นอนไม่หลับก็ต้องไปหายานอนหลับก็เดือดรอนอีกไม่หลับก็เดือรอนอีกใช่ไหมทีนามิธาย่อมเกิดด้วยการทําไว้ในใจโดยไม่เย็บคายในธรรมะทั้งหลายมีอารติเป็นต้นนะทีนามิธานี้ ไม่ให้มุ่งไปที่ความง่วงอย่างเดียวนะบ่งไปถึงความลักษณะหดหูดพูดแบบสำนวนไทยๆเราเรียกว่าเซ็งอ่ะนะมันเงามันบอกไม่ถูกอ่ะนะแปว่ามันหดหดมันไม่น่าอยู่วนะ่างั้นแต่พูดทัดท่วไปบอกมันไม่ค่อยน่าอยู่อนะ่ะเช่นความเป็นผู้ระอาคำว่าระอาก็มาจากบาลีว่าอารติหมายถึงว่าไม่ยินดีในการเจริญกุศลเลย เช่ น, นบ่อยไหมถ้าไม่อยากจะตรึกเลยนะนะไม่อยากจะคิดถึงธรรมะเลยไม่อยากจะอ่านไม่อยากจะฟังไม่อยากจะดูไม่อยากจะคิดถึงธรรมะเลยอันนั้นแหละลักษณะของอารติเนี่ยนะเป็นอาการของถีนามิทะอย่างหนึง่งหรือว่าถ้าอยู่ป่าแล้วโอ้ยเงียบจริงโอยไม่อยากอยู่แล้วเงียบมองไปตรงไหนก็เห็นแต่ต้นไม้นะไม่น่าเรื่อนรมอะไรเลยอย่างเงี้ยลักษณะนี้เรียกว่าอารติ อาการที่เป็นแบบนั้นก็ถีนามิธะอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือความเป็นผู้อืดอาดทางกายหรือว่าความคลานกายชื่อว่าตันติเนี่ยนะก็มันชักไม่ค่อยไหวแล้วนะมันเรียกว่าบิดไปตรงไหนมันปวดมันเมื่อยไปหมดเลยนะมันก็ไม่อยากขยับตัวละหรือว่าความบิดกายเนี่ยนะก็เรียกว่าวิฉมพิตา เรียกว่าความมึนเพราะอาหารหรือว่าเมาอาหารความกวนกระวายเพราะอาหารชื่อว่าพัตะสั ม, มทะในพวกเมาอาหารแล้วก็ความหดหูแห่งจิตความย่อหย่อนแห่งจิตชื่อว่าเจตโสลีนตังเนี่ย น, นะเมื่อพโยคาวจรยังการทําให้ในใจโดยไม่เยบคายให้เป็นไปมากๆในธรรมะทั้งหลายมีอารติเป็นต้นนี้ถีนมิทย่อมเกิดขึ้นคิดอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวขี้เกียจเองอ่ะนะเดี๋ย ว, ย ว, ะนะยวถีหน้านะเช่น คิดถึงว่าอ๊ gie, มันน่าเบื่อเนี่ยนะอย่างเนี้ยอันนี้ก็ทีละมิท่าก็เกิดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ไปคิดถึงแบบอึดอัดไปหมดเลยนะมันอึดมันอาจจะลุกจะเดินจะเหินก็ไม่คล่องไรอยากสักอย่างเลยอะ่ะหรือว่าแหม่บิดซ้ายก็แล้วบิดขวาก็แล้วเนี่ยนะมัยังยไม่ยังยไม่ค่อยจะตื่นตัวเลยหรือว่าสังเกตมากๆก็บอกว่าช่วงเที่ยงๆอ่ะนะหลังจากอาหารมันย่อยดีหน่อยนะครงะ นั่งไปแล้วก็เอาละพนี เ, เริ่มเคลิมนะโอเคดูเวลาแสดงธรรมตอนบ่ายเนี่ยโอ้เป็นปกติเลยนะเข้ามาตัวปกติทั่ ว, วไปหนึ่งเวลาที่เลือกไม่เทศเลยก็คือภาคเช้ามืดเนี่ยนะ น, นี้ไม่จําเป็นก็จะไม่เทศเพาะว่าช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหคนมานั่งสับประงกให้เราเห็นเยอะเนี่ยนะแล้วก็บ่ายก็ไม่ค่อยอยากเทศเนี่ยนะถ้ายิ่งอากาศดีๆหน่อยลมเย็นๆเนี่ยนะตาเนี่มันประกาศหมดแล้วว่า ถ้าเป็นไฟนะมันรีมันจะดับไม่ดับแลจะดับไม่ดับแลเนี่ยนะแต่ถ้าบอกว่าจบปั๊บตาเขาไม่รู้มาจากไหนไม่รู้มันสว่างสว้ายไปหมดนะที่ทั้งพวงนี่โล่งหมดเลยนะนก็จะมีอยู่อย่างนี้แหละทีนามิธานี่ก็คิดถึงก็พวกกลุ่มที่คิดถึงความมืดบ่อยๆนะพวกนี้จะง่วงนะ ถ้าปิดปิดเงียบเงียบปิดไฟปิดอะไรให้หมดเนี่ยนะฮะ น, นี้ก็น้องไปหาถีนมิทะได้เป็นอย่างดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความไม่ยินดีความเกียดคร้านความบิดกายความเมาอาหารความหดหู่แห่งจิตมีอยู่การทําให้มากซึ่งอโยนิโสมณสิการในธรรมะเหล่านี้นี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งถีนมิทะที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อทําถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วไพ่โบนยิ่งขึ้นนะ คือคิดอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวมันมันขี้เกียจเองแหละเนี่ยนะถีนามิทาก็ลักษณะของขี้เกียจนั่นแหละมันเกิดขึ้นไม่อยากจะใช้ความคิดไม่อยากจะอะไรสักอย่างอั้นนะมันอยากจะซึม ซ, มซึมเซ้อเซเบลเบลนิดๆห น, ๆ น, ๆนะนะ่อยๆก็ไปส่วนเหตุเพื่อละถีนามิทะจะละได้ด้วยการใส่ใจโดยแยบคายในธรรมะทั้งหลายมีอารัปธาต์เป็นต้นความเพียรเริ่มแรกชื่อว่าอารัปธาต์ ความเพียรที่มีกำลังกว่าอรพทาตุนั้นเพราะออกไปพ้นจากความเกียรครานชื่อว่านิกรรมธาตุความเพียรที่มีกำลังยิ่งกว่านิกรรมธาตุแม่นั้นเพราะล่วงฐานะอื่นๆคือความบากบั่นก้าวไปข้างหน้าอันนี้ชื่อว่าปรกรมธาตุเมื่อพโยคาวจรยังการทำไว้ในใจโดยเย็บคลายให้เป็นไปมากๆในความเพียรสามประเภทนี้ย่อมละถีนมิทะได้ ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคยังตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธาตุคือการเริ่มความเพียรธาตุคือความออกพ้นไปจากความเกียดคร้านธาตุคือความก้าวไปข้างหน้ามีอยู่การทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธาตุเหล่านั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดแห่งทีนามิทะที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อละทีนามิทะที่เกิดขึ้นแล้ว นนก็คิดถึงความเพียนบ่อยๆบ่อยๆนี่นะก็มันก็จะเริ่มตื่นตัวขึ้นตื่นตัวขึ้นทีนี้คนที่คิดถึงที่จะเจริญความเพียนได้นะความเพียรก็มีเหตุใกล้ใช่ไหมก็คือกลุ่มสังเวชวัตถุทั้งหลายแลเนี่นะอันนั้นแหละเป็นเหตุให้ทําความเพี้ยนนะี่นะแต่ก็ไอพูดถึงความเกียดคร้านไอถีนมิท่าเนี่ยนะท่านก็มีเรื่องเล่าว่าพวกสมณเณร มันจะชอบง่วงกันนะนะพวกเด็กอายุที่สักสิบห้าสิบหกอะไรแถวแถวนี้ที่บวชเนี่ยนะโดยมากมันจะง่วงกันทีนี้ง่วงช่วง ง, ว ง, ง่วงเนี่ยบางทีพระพิสูจ์ท่านจะใช้ใชใช่ไหมใช้ไปใช้มาบที่ใช้ช่วงมันง่วง น, นะก็เลยตั้งความปรารถนาไม่อยากนอนเหลือเกินอ่ะนะมีเจ้าหนึ่งก็บอกว่าไอ้อัธยาศัยที่ชอบนอนมากๆอ่ะนะทําให้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นงูอะารแบบนั้นว่างูตัวนี้มันหลับทีหนึ่งมันหลับเป็นพุทธนนันดรนอะไรแบบนั้น เรียวกว่ า, า, ากาละนาคราตเนี่ยนะพญากาลนาคราชอยู่ใต้ตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะลงลึกไปเนี่ยมันจะมีพญานาคอยู่นะนะพราะเจ้านั้นหลับทีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะเพราะว่ากระงงถาที่ลอยมานะตกลงมาเอ้าวตรัสรู้เมื่อวานก็ตรัสรู้ไปองค์หนึ่งแล้ววันนี้ก็ตรัสรู้อีกแล้วก็หลับต่ออีกนะถ้าหลับทีเป็นพุธทธันดรเนี่ยนะพวกนี้เรียวกว่าโูหลับยาวมากนะก็ได้นอนสมความคิดเนี่ยนะ เราว่าสัตว์ตระกูลงูเนี่ยจะหลับมากนะแต่ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปนะหากินหากินเสร็จก็หลับมันใครที่ไปขัดใจตะกล่มหลับเนี่ยจะมีโทสะเนี่ยนะเหตุที่จะทำให้ละทีนามิทะเนี่ยนะก็มีเหตุอยู่หกอย่างคือกำหนดนิมิตในโพชนะส่วนเกินคือที่บริโภคมากเกินไป น, นีอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็การผลัดเปลี่ยนอิริยาบท อย่างที่สามการใส่ใจถึงอโลกสัญญาอย่างที่สี่การอยู่ในที่จิตกลางแจ้งหความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรหสนทนาเรื่องที่เป็นสปายะก็เมื่อพระโยคาวจรบริภพโภคโภชนะมากเกินไปเหมือนพรามณ์ที่ชื่อว่าอาหารหัตตกะพรามณ์อาหารหัตกะพรามณ์ก็คือเวลากินเสร็จอนะันนั้นต้องให้คนฉุดมือขึ้นนะนะไม่ได้สมัยแบบไม่ได้นั่งเก้าเอานะนั่งกับพื้นอนะ่ะ เวลากินเต็มที่ก็ต้องเอา้าดึงมือขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยนะเออดกว่าจะลุกได้ไปคิดถึงกินมากนี่มันจะลุกไม่ไหวนะต้องให้คนอื่นมาคอยพยุงลุกขึ้นนะอย่างหนึ่งหรือว่าพุทธะนะะอมิตรกะพราหมณ์ก็คือพวกนี้ต้องสํา น, นวนว่าต้องคลายเข็มขัดนะ่ะนะฉันจะฉันนี่ก็บางคนนี่คลายไว้ก่อนนละนะบางทีกินไปได้รครึ่งหนึ่งแล้วค่อยคลายเข็มขัดแล้วกินต่อนะพวกนี้ บางพวกก็ตัดตะวัตกะพรามหรือว่าอลังสากตะพรามอลังสากตะพวกนี้ปล่อยผ้าเลยหมยายความว่าต้องคลายผ้าออกอย่างเยอะเลยนะหรือว่ากากรารมสาากะไอากากามาสกะเนี่ยหนักมากเครียกว่ากินจนล้นคอนะแล้วต้องกามาจิกออกกันนะพวกนี้แล้วก็คิดถึงนิมิตถึงคนที่กินมากนะอะไรมันเกิดขึ้นอะนะเวลาเราจะทานไปเยอะระดับนึ่งนะคิดถึงคนที่ก็กินมากๆขึ้นอะนะมันทําให้ลดไปเยอะเหมือนกันนะ แล้วก็นั่งบาเพ็ญสัมมธรรมอยู่ที่พักกลางคืนหรือที่พักกลางวันเนี่ยถีนาะมิทยาย่อมครอบงาเหมือนช้างใหญ่มาเหยียบเอาฉะนั้นคือถ้ากินมากมากนะโอ้โหก็คิดถึงตัวอย่างของพวกที่กินเยอะๆและอะไรมันเกิดขึ้นอย่างหนึง่งอย่างหนึ่งเนี่ยคิดถึงว่านี่ถ้าเราฉันมากทานมา ก, ามากเวลาไปนั่งแล้วมันง่วงะนะก็แก่้งนึกถึงโทษทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นเหตุให้ละได้ แต่ทีนามิทะานั้นจะไม่มีแกผู้ที่เว้นโอกาสที่จะบริโภคอีก4ี่ห้าคำแล้วดื่มน้ำแทนยังอัตภาพให้เป็นไปเป็นปกติเพราะเหตุนั้นเมื่อพระโยคาวจรกําหนดนิมิตในโภชนะสวนเกินอย่างนี้ย่อมละทีนามิทะาได้ก็ก่อนจะอิ่มอีกสี่ห้าคำก็พอเนี่ยนะก็ดื่มน้ำแทนก็พอละอันนี้ก็เป็นเหตุที่จะตัดทีนมิทะได้ทีนี้ถ้าตื่นแล้วฟุง้งซ่านทาไง นะนะก็มางแหงก็บอกว่าหลับแลวยังเลวน้อยกว่านะถ้าตื่นแล้วอกุศลวิตตกมันเกิดมีกำลังรุนแรงมากอะไรมากนะมังแหงก็บอกว่าหลับดีกว่าแต่ว่าคนที่หลับเนี่ยนะชีวิตเป็นมันนะเพราะขณะที่หลับนี่กินบุญเก่าลนรู้วันเลยนะมีแต่ชาติวิบากที่มันเกิดขึ้นนะต่อไปว่า การผัดเปลี่ยนอิริยาบทนะว่าอิริยาบทใดพระโยคาวาจรตกอยู่แต่อนานาจถีนามิท h a เมื่อเปลี่ยนอริยาบทเป็นอย่างอื่นจากอิริยาบทนั้นเสียเธอย่อมละถีนามิท h a ได้กนะคือถ้าเปลี่ยนอิริยาบทนี่ก็ช่วยเยอะนะถ้าง่วงตอนนั่งก็ลุกขึ้นยืนซะหรือไปเดินซะหน่อยเนี่ยแหละถ้าเดินแล้วก็ก็มานั่งแต่ถ้าเดินอยู่แล้วง่วงนะโอ้โห <laughs> นอนนยิ่งไม่อันนี้ไม่ง่วงะนะเพราะหลับแล้ว เดินเนี่ยไม่ง่วงแล้วเพราะหลับไปตั้งนานแล้วนะถ้าเดินแล้วยังง่วงอยู่ก็แสดงมันหนักมากแต่บางคนก็เวลานั่งอาจจะไม่ง่วงก็ได้นะก็หาอิริยาบทที่มันสับ ป, ป่ายะที่ถีน่ามิถ้าไม่กลุ่มรมเอาก็แล้วกันเรื่อเมื่อพระโยคาวจรสายใจถึงแสงจันทร์แสงประทีปแสงคบเพลิงในเวลากลางคืนและแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันอันนี้ก็ช่วยได้นะมัให้ง่วงถ้าคนขับรถแล้วก็ใส่แต่แว่นดำตลอดเลยทั้า ง, ง่วงทําไง ขอแว่นนี่ช่วยได้เยอะไหมเยอะนะก็นั่นก็เป็นการเพิ่มแสงสว่างให้ก็หายง่วงไปเยอะเนี่ยนะก็ลักษณะเนี่ยนะก็คิดถึงมองแต่ที่มืดมืดก็ไปมองให้สว่างสว่างมันก็โล่งก็ช่วยได้เยอะนั่นหะหรือว่าอยู่ในกลางแจ้งเนี่ยนะทางง่วงก็อย่าไปหาที่มันกำบังกำบังอ่ะนะก็ไปอยู่ที่มันกลางแจ้งเนี่ยนะไปนั่งอยู่กลางศาลาวัดหรือว่าไปนั่งอยู่กลางลานวัดเนี่ยนะตรงไหนที่คนเขาเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยนะ ก็ไม่ค่อยง่วงละหรือว่าครบหากลยานามิตรผู้ละถีนมิธะได้แล้วเช่นพระมหากัะสปะพระมหากระสปาม่ใช้อิริยาบดนอนนี่นะจะ น, นั่งตลอดหรือแม้ด้วยการสนทนาถึงเรื่องที่เป็นสปายะอันเกี่ยวกับทุดงในอิริยาบดทั้งหลายมีนั่งเป็นต้นเธอย่อมละถีนมิธะได้นี่นะ เอาตัวอย่างของพวกที่เนศชิกข้างหลายแหลมาสนทนาให้มากๆนะว่าภาษาริบุตรท่านไม่เอ็นหลังเท่านั้นปีพระอนุรุธท่านไม่เอ็นหลังเท่านั้นปีอย่างเี้ยนะครมาคิดพูดถึงคนที่ไม่ไม่ไม่ไมไมใช้อิริยาบทนอนเลยนะตื่นตัวเดินจงกรมบําเพ็ญเพียรภาวนาเจริญกรรมฐานสายใจในคําสอนอ่ะคิดถึงคนประเภทนี้มากๆก็ทําให้เราตื่นตัวได้เหมือนกันโดยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าธรรมะหประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อละถีนมิทะ ก็เธอย่อมรู้ชัดว่าถีนามิธะที่ละได้แล้วด้วยธรรมะหกประการนี้ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปด้วยอรหัตตมัรต์ผู้ที่ละได้เด็ดขาดจริงๆก็คือพระอรหันต์เนี่ยนะเพราะว่าถีนามิท่านี้เกิดร่วมกับจิตที่เป็นสัสังขาริกทั้งที่เป็นโลภะกับโทสะเนี่ยนะถ้าสัสังขาริกที่เกิดร่วมกับโทสะพระอนาคามีละได้แต่ถ้าทีนามิท่าที่เกิดร่วมกับโลภะเนี่ยนะที่เป็น วิปยุตธน่ะนะทิฏวิปยุทธผ่าราหันจึงกะละได้ท่านนอนหลับแต่คาว่าธีนะมิทธะเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่ามันหลับแต่แปลว่าหดหูท่อแท้เสื่องซึมเนี่ยนะลักษณะนั้นเนี่ยนะท้อถอยเนี่ยนะเหมือนกับอ่านหนังสือแล้วมันอ่านไม่ไปลนะลักษณะนั้นอ่ะธีนะแทะเข้าละ เนตอนแรกอ่านแล้วมันตื่นตาดูเป็นเรื่องเวลานนะสัะอีกพักหนึ่งก็ชักเหมือนกับไฟไม่ก็อพอละเหมือนอะพวกเรียกกลุ่มเนี่ยครับอาการลักษณะนี้เรียกว่าถีนมิทะเนี่ยนะหรือว่าเราฟังเรื่องอะไรอยู่แล้วมันมันหลุดไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะนั่นถีนมิทาแทะเนี่ยนะหรือว่าไม่ไม่อยากจะรับรู้ในสิ่งนั้นๆแล้วนะคืออาการที่หดหูท้อแท้ไม่ต้องการรับรู้ท้อถอยอะไรกลุ่มเนี่ยทั้งหมดนะ อาการเหล่านี้เป็นทีน้ามิท่าหมดเลยพิา่หนา่อ ย, าายแวเอทีน่ามิทามันก็เป็นสภาวะอย่างนึงให้เข้าถึงสภาวะานก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเอาแล้วมันตื่นไหมเลยพอคิดอย่างนั้นแล้วหายง่วงไหมกุคคลตอนขับรถเนี่ยนะเออทีน้ามิท่าก็สภาวะตาเนี่ยเบลอแล้วเนะี่ย ทีนามิทธะก็เป็นสภาวะธรรมนินหนึ่งอะเหี้ยสักร2อยี่สิบอ่ะนะเดือดร้อนแน่ก็มีวิธีจัดการกับทีนามิทธะแปลกๆแก่นะขนาดเดียวนะ ก, กินได้ ท, ทุกโรค ป, ป, ป ร, รักษาได้ทุกรคจริงเลยเนาะ คุณมีมีอะไรจะว่าอะไรมว่าไปจดไปเนี่ยมีข้อจดว่าไงบ้างครับข้อที่หนึ่งทไมศาสนาพรมณจึงมีคีดูลักษณะพระเจ้าประการทาไมไปอยู่ในคมพีของศาสนาพรมครับมหาุทธประการทไมอยู่ในคมภีพราหมณ์ <c oughs> คือเรื่องอยางไ้ว่าโกลาหนมีหลายอย่างนะะอย่างเช่นโกลาหนเรื่องมงคล อย่างหนึ่งโกลาหลเรื่องอกลับจะทาลายเนี่ยนะหรือเรื่องพุทธโกลาหลากลับพุทธโกลาหนก็จะมแีแค่ว่าอีกกี่ปีเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดเนี่ยนะทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีพรหมชั้นสุทาวาสเนี่ยนะแปลงมาเป็นฤาษีแล้วก็จะมาสอนจะสอนบอกถึงลักษณะว่า จะมีผู้ใดที่มีลักษณะที่บอกว่าคนนี้ลักษณะแบบนี้นะถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมแล้วก็พวกผู้ที่มีลักษณะแบบนี้จะเป็นพ่อพระพุทธเจ้าผู้ที่มีลักษณะแบบนี้จะเป็นแม่พระพุทธเจ้าผู้ที่มีลักษณะแบบนี้จะเป็นอัครสาวกข้างขวาข้างซ้ายนะคือพอมีโกลาหนว่าจะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยคนจะอ้างตัวกันเยอะมากเห็นไหมอย่างเช่นครูทั้งหกสมัยพุทธการเขาก็เขาก็ว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพรมก็มาจัดการให้ถามว่าเกิดในนั้นได้ยังไงเขาบอกเกิดจากพรมนั่นเองนะพรมมาให้ให้มาอธิบายบอกว่ามีเป็นพันพันคาถาเพื่อที่จะอธิบายมหาบุริศลักษณะทั้งหมดนี่นะแล้วก็อธิบายลักษณะของบุคคลต่างๆว่าคนลักษณะนี้จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงผมอ่านในหนังสือเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าที่อยู่ในศาสนาพารามณนี่เขาแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องี่เแต่งขึ้นมา อาาาเจ้มยู่ในศนศสธคือต้นต้นเหตุเ น, นี่ยเป็นอย่างนั้นต้นเหตุเนี่ยนะก็จะมีในคัมภีร์ของพราหมณ์พูดถึงลักษณะของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพอพระพุทธศาสนาคือหลังจากพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานไปแล้วนะหลังจากนั้นอีกไม่นานคัมภีร์นี้หายหมดเลยหายหมดนะนะก็จนรอจนกว่านนพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก่อนจะเกิดขึ้นอนะ่ะจะมีคัมภีร์อันนี้ขึ้นมาใหม่ ผ่านพวกนี้จะรู้ได้ว่าใครมีลักษณะอย่างไรจะเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ข้อหนึ่งอข้อสองข้อสจีวรผ้าเหมือนแปลงนาข้าวผ้าอนนลเป็นผู้ออกแบบลงวาดให้ดูเชือมันเหมือนแปลงข้าวแปลงนาข้าวจีวรผก็ว่างๆก็ไปขอจีวรสมณเณรดูสักผืนหนึ่งกันนะไปกลางๆดูก่อแปลงข้าวตรงไหนนาคือคือมันเหมือนนาของชาวมคธไงมันเป็นคันๆนะนะเป็นคันๆก็คือเหมือนคันนาไะ เหมือนคันนาของชาวมคธเพาะผ้ามาเย็บปิดกันอาผ้ามาเย็บผ้าหลายๆชิ้นมาเย็บตัดให้มันแบบมันทรงแบบรูปแบบนานะลาคล้ายๆคันนานั่นเองพระนรินทรผู้ออกแบบอ่าพระคือพระพุทธเจ้าชี้ให้พระนรินท์ดูว่าเห็นนาของชาวมคธไหมเธออาจจะทําเย็บผ้าได้เหมือนอย่างนี้ไหมพระนานนท์ก็ไปเย็บมาให้ดูเป็นตัวอย่างบอกพระองค์ว่านุมโมทนานั่นไง มีคำก่าอย่นึงเขบอกว่าโทษของการพนันผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมเสียทรัพย์ผู้ชนะก่อเวรเน่ยนะถามว่าใครชอบมั่งคนที่ชนะน่ะคนที่ที่ชนะการพนันเนี่ยนะถามว่าคนทั่วทไปที่ไปแพ้เนี่ยนะมีใครชอบเขามั่งแบบนั้นไม่ชอบแล้วคนที่แพ้ถ้าปารับถึงตัวเองก็เสียใจยที่หมดทรัพย์ไป อันนั้นก็คนนั้นก็ก่อเวรละ้ชนะชนะนะใช่ใช่โทษของการแล้วก็ข้อสโทษสเหมือนจุดไม่ขีดเทากระดาษคนมีเมตตาเหมือนกระดาษเปียยนําจุดไปไม่ติดนย็ยังไงอันนี้มาจากไหนผ้ีเนเอ้าคุณต้องอธิบายเองเลยอันนี้อันนี้ของมาเป็นอัตกษาให้คุณไม่ได้นะ นี่ไม่ขีนะเหมือนจุดไม่ขีจะเผากระดาษเนี่ยไม่ขีมันไหม้ก่อนกระดาษยังไม่ทันไหม้คนที่โกรธเนี่ยตัวเองตุกก่อนคนที่เราโกรธแะแต่ก็เขาไโกรธต่อจะเหมือนกระดาษเปลนน้ำสุกไปอือ๋ออันนี้อันนี้คำอธิบายอลยอธิบายเรียบร้อยไปแล้วตอบได้แล้วอันนี้คุณมันมีตอบเองผมผมเคยฟังธรรมมีพระองค์เขาแสดงวิธีดับความโกรธอืม กหัวมันเนี่ยมาแขวนเชือกไว้แล้วเกเข่าควายเนี่ยมาแขนเชือกไว้เวลาโกรธก็ดูหัวมันกับหัวไอ้าควายแล้ก็เว่าช่างมันช่างมันช่างเขาช่างเขาช่ัาบเช่างมันช่างมันช่างมเอหัวมันมาแขวนแล้วคุณเคยเคยไปลองดูไหมไม่เคยาไม่เคยเขาบอกดับความโกรธดีดับความโกรธก็คุณเอาไปลองได้กันถ้าคุณฟังมาเนี่ยของมาไม่เอาไปทาตามหรอกแล้วก็ก อารติในสีน่มิถาหมายความว่าอย่างไรครับอลรติก็แปลว่าไม่ยินดีที่จะเจริญกุศลไม่ชอบที่เงียบสงมันไม่่วงอครับ่วงหรือเปล่าอตินี่แปลว่าไม่ยินดีในในการเจริญกุศลไม่ยินดีในที่สงบนะแต่ไม่่วงนอนนะครับคืออาจจะง่วงก็ได้ไม่ง่วงก็ได้แต่ว่าไม่กิริยาที่ไม่ชอบแบบนั้นนะี่เรียกว่าทีน่มิถ้ออ า, าอนนะ อรารติแปลว่าความไม่ยินดีในการเจริญกุศลไม่ยินดีในที่เสนาสนะอันสังกัดเนี่ยนะแผมแปลว่าเซง็งใช่ไหมครับอรารติมันเซ็งเอาไทยก็ได้บ้เบือเบ่อนะนก็ น, น, นายอย่างเงี้เป็นอรารตินะครับน ะ, นะเบื่อนะแล้วก็ผมเคยดูเขาเล่นไพ่เขาว่าคนเล่นไพ่กันเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยไม่หลับไม่นอนไม่มีถิ่นนัาวมท่าเลย คเจ็ดคืนเี่ยเวลาไปนอนน่าเล่นไปกันมันก็ง่วงบ้างนะมันก็มีทั้งคือเบลอๆไปพักหนึ่งแล้วก็ตื่นมาเล่นต่ออะไรต่ออะไรเงี้ยนะเวัน7คืนนะคนน่าเล่นไปไม่ง่วงก็มาไม่เคยรู้เหมือนกันว่ามีถึงขนาดนั้นนะ ท, นท่าามดนะครับใครจะถามตอบถามเลยเล่าให้ฟังก็ไ ม, ม่รู้เจนนี่ถ้ขับรถนผมจะใช้ทานอาหารเล็กๆคือาอย่างไม่อิ่มใช่ถ้า เช่นเช่นเผือเช่นมันเช่นเ็กๆอย่างเงี้ยมันทอดเช่ลกๆอเี่ยแล้วก็ันหานี่แสดงว่าโลภ้าเนี่ยแสดงว่าถีนีิท่านจะไม่เกิดกับโลภาอยู่ไมไม่เกิดกับสสังคาริกจะไม่เกิดกับสสารโลผ้ า, าจะเกิดกร่วมกับสสังคาริกขณะที่รับประทานด้วยความมาเร็ดอร่อยโดยมากเป็นสสังคาริกขณะนั้นก็เลยไม่ ง, ง่วงเลยเลย่วยังนึกเลยว่าถ้าเราทำอย่นี้เนี่ย เข้รรมะะนมะิทะกิร่วอกัรโละทีน้นมิทเกิดร่วมกับโลภะทีนั้นมิทธะเกิดร่วมกับโลภะกีั้นมทธะกิร่วมกับโลภะทีัสสา้า ม, กกรรมาาิกเกิดรนะ่วมกับโะทนั้นมิทเกิดร่วมับโลภะที้นมิทะเกิดร่วมับโลภะนีนั้ น, นะนนะมิทะก็ดม่วมก่วงละทีนั่นมนะเกิดร่วมกโลภทนั้ น, นมิทะเก่วมกะนนมะกดร่วมกะทนมิกิด่วมกลภ ท, น, ท น, น, นั้นมทธอย่วมกับโลภะนั้น จะไม่ส่งเสริมว่าอ้าวคุณอากุศลเรื่องนี้คุณไปแก้อากุศลเรื่องอื่นนะโดยเอาอากุศลมาแก้จะไม่แนะนำจะไปฟังวิทยุต่อหมดเวลาแล้ว <c oughs>